บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสื่อต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานทั้งในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าธุระคือการงานที่ คนจะต้องประพฤติกระรรมพือน้อมนำจิตใจของตนให้สัมผัสธรรมะสูงยิ่งขึ้นไปในขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้นบางครั้งอาจจะเกิดความสับสนในด้านจิตใจว่าเราพยายามปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานคือมุ่งที่จะให้ใจสงบจุ่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าจิตแล่นไปหาวิปัสสนาคืออยากคิดอยากพิจารณาอยากดูรูปตามให้เห็นความจริงตามพระไตลัก์ก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพราะนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นก็พึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะในขณะที่ปฏิบัตินั้นความสูงต่ำระวาง สตินอินสีคือสติกับปัญญินสอินรีย์คือปัญญาที่จะต้องงานคูบคู่กันทํางานคูบคู่กันไปนั้นพยามใดที่สติเป็นไปแรงกลาก้ากว่าจิตก็จะน้อมเข้าหาทางด้านของสมถะได้แต่บางขณะปัญญามีกําลังมากปัญญาก็ออกมาในรูปของการ ิจรณอารมณ์ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของวิปัสสนาไปทั้งสองอย่างจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและ ก, กันไม่ได้มีปัญหาอะไรในเชิงข้อการประฤติปฏิบัติอย่างการมองโลกมองชีวิตตามนัยะภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองคำกล่าวของท่านกระปักทั้งตอนหนึ่งที่ว่าสัตว์โลกนั้นได้ถูกค้อมล้อมไว้ไว้ด้วยชรา มรณะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ทำอย่างไรจรึงจะหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้ไปได้ในพระธรรมเทศนาเป็นนันมากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลเข้าใจเรื่องของชยาชราพยาธิมรณะซึ่งในบางครั้งบางคราวเราก็พูดครองจองกันไปเลยว่าเกิดแก่เจ็บตาย บางครั้งเราก็พูดเฉพาะว่าเกิดแก่ตายเจื่อการนามาพิจารณาในตอนต้นนั้นก็ไม่ค่อยสอนให้พิจารณาตอนเกิดจ่พิจารณาเฉพาะตอนแก่ตอนตายและตอนเจ็บตอนตายคําสอนในแนวนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์แต่ปัญญาเป็นเครื่องพินจพิจารณานั้นอยู่ในกลุ่มของมรรคสัต์ เมื่อพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดผลเป็นรูปของนิโรธสัจกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆในขั้นนั้นๆก็สงบส ง, งับไปจึอว่าเป็นการดับบรรเทากลุ่มของสมุทัยสัจทุกครั้งทุกครั้งที่มีการปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติตามหลักของอริยสัจทั้ง4ี่ประการในกรณีของ ชาาพยาธิและมรณะคือเกิดแก่เกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นสภาวธรรมที่ทรงสอนให้รู้ตามความเป็นจริงการสอนนั้นก็สอนได้หลายนัยะหลายระดับด้วยกันระดับความแก่นั้นก็จะมองในส่วนต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงมังเกิดขึ้นเคยจะเห็นว่าโดยสภาพของความเป็นจริงแล้ว สิ่งทั้งหลายจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะประสบกับความเสื่อมในตัวของมันเองเสื่อมไปตามการเวลาเสื่อมไปเพราะเหตุปัจจัยภายใ น, ในปั้งเหตุปัจจัยภายนอกปั่งไม่มีความคงที่อยู่ในสิ่งเดล่านั้นแม้แต่สิ่งที่เป็นภูเขาต้นไม้โลกบ้านเมืองต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไป บ้านเมืองบางแห่งในอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นมหาอาณาจักรในปัจจุบันก็กลายเป็นป่าเป็นทะเลทรายซึ่งเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์สอนใจของบุคคลทั้งหลายให้ระหนักถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่มีความใหญ่โตขนาดนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงไปได้นับราษาอะไรกับเราซึ่งเป็นสังขารเล็ ก, ลกมีองค์ประกอบของชีวิตก็ไม่มั่นคงแข็งแรงอะไร จะไม่ประสบกับความเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นปัจจัยภายนอกที่จะสอนให้บุคคลเกิดสํานึกกระตุ้นเตือนจิตให้น้อมนึกก็มาหาตนตสามารถที่จะใช้ได้ในที่ทั้งหลายเราอจะจุดไฟขึ้นมาบูชาพระจุดเทียนขึ้นมาบูชาพระไปจัดดอกไม้บูชาพระแล้วก็มองสิ่งเหล่านั้นในแง่ให้เกิดความส ง, งบ ก็เป็นสมถะในแง่ที่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นเทียนที่จุดขึ้นมานั้นเมื่อก่อนมันก็ยาวกว่านี้แล้วค่อยสั้นข้าวสั้นข้าโดยลำดับดอกไม้ก็สวยงามกว่านี้แล้วก็ได้เพียวเฉาไปทูป ก, ก็ยาวกว่านี้ได้ถูกไฟเผาไปแล้วก็โคดสั้นข้าวในสุดมันจะหมดไปดอกไม้ก็จะร่วงหล่นไปหมด ทุบเทียนก็จะหมดไปแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาชีวิตว่าชีวิตของทุกเทียนเป็นช่วงสั้นกว่าชีวิตทําไม่เทียบเคียงถึงชีวิตว่าแม้ชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นประสบกับความแก่ความชราความคร่ำคราไปได้เวลามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆก็น้อมนึกมาในลักษณะนั้น การน้อมนึกคือใช้ปัญญาสติปัญญาระลึกรู้ทันอารมณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นความจริงตามหลักของระสาทลัษณ์ในลักษณะนี้ในบางระดับบางเวลาบุคคลอาจจะไม่รู้สึกว่าได้รับผลอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วเป็นการสะสมส่วนแหน่งความดีให้บังเกิดขึ้นภายในใ จ, ใจิตใจ คล้ายๆกับการสะสมภูมิต้านทานโรคในร่างกายตอนตอน้ตนๆก็ไม่ดูไม่เห็นอะไรแต่เมื่อสะสมไว้มีกำลังมากพอแล้วก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ให้ัยต่อการรับเชื้อโรคต่างๆได้ใจที่มันคิดมันพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายที่ประสบกับความแก่หรือความเสื่อมไป ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นพอมาถึงประสบปัญหาที่โดนเข้าก็พินิจพิจารณาเห็นถึงความจริงในส่วนนี้ได้จิตใจของบุคคลก็สงบจากความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความทุกข์ในชั้นของความยึดมั่นถือมัน่นก็ตามปกติแล้วถ้าใจไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นอะไรมากเกินไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็จะน้อยลงไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยสรุปเวลาแสดงเรื่องของทุกขสัจก็สรุปไปในตอนสุดท้ายว่าเมื่อลราวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธะห้านั่นเองเป็นความทุกข์แต่แม้แต่ชั้นที่ทรงสอนให้พิจารณาตำหลักของพริธรปัจจเวทขณะ เราทรงสอนอย่างนี้ทุกแห่งคือมองเห็นในแง่ของธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครสามานที่จะผ่านพ้นไปได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งเมืองแม้แต่ทั้งโลกในที่สุดก็จะพินาศไปความพินาศของโลกก็จะเกิดขึ้นได้เพราะโลกเองมันก็เป็นสังขารชนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เนื่องจากองค์ประกอบของความเป็นโลกมีความหนานแน่น ความแข็งแรงความเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเกิดได้ชา้าในชั้นที่ละเอียดลงมาเช่นที่ทรงสอนพระราธาเทระราธาเทระนั้นเป็นคนแก่มีศรัทธาบวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่จะศึกษาจำทรงให้พิจิตพิสดาลอย่างพระห น, นุ่มก็ทำไม่ได้ เราก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ท่านโดยเจอาเจ้ถึงท่านสามารถจําได้คิดเห็นได้แล้วก็ปฏิบัติจนเกิดผลได้พระเจ้าก็รับสั่งสอนให้ท่านราษะมองให้เห็นสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นมันแต่ว่าการมองมานให้ชัดนั้นก็จะเน้นที่มานหนแต่ว่าคนอายุปุณณนั้น กต็ต้องมองให้เห็นมานคือขันธมารได้แก่เบนจะขันว่าเป็นมานก็ ข, ขัดขวางก็งร่างผพรานก็ทำลายก็เป็นอุปสรรคในความดีทั้งพวกแต่บางครั้งบางาวถ้าไปสอนคนอื่นบางการจะยกเอากิเลสสมานขึ้นมาแต่สอนคนอีกพวกหนึ่งก็อาจจะเอาบาปที่เป็นมานขึ้นมาแต่สรุปก็สิ่งทั้งหมดนั้นก็คือเป็นมาน อย่างในกรณีที่ให้มองขันเป็นมันเราทรงสอนให้มองดูว่ารูปร่างกายของบุคคลที่เกิดมาโดยเฉพาะเมื่อสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นมันคือการเบียดเบียนชัดเจนความเจ็บปวดความไม่มีกำลังหรือไม่สามารถจะควบคุมบังคับปัญชาได้ที่เกิดขึ้นอยู่สม่าเสมอนั่นที่ไม่เคยเกิดก็ เกิดเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมากยิ่งขึ้นมองเห็นเป็นมารอาจจะมอง ร, มรวมๆไปเลยหรืออาจจะมองในแต่ละจุดถ้ามองดูรูปที่เป็นมารร่างกายที่ปีกวนวิการไปปวดเมื่อยอวัยวะมือเท้าไมแข็งแรงหูตาพระมัวเป็นต้นก็มองหเห็นว่าแม้าตาเรายังดีๆก็คงจะมองเห็น หรือตาหูยังเหมือนเดิมก็สามารถที่จะได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแต่ว่าการที่ตาเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้หรือวิวาส่วนอื่นเป็นอย่าง น, น, างนี้นี่ก็เพราะว่าความชราเข้ามากัดกร่อนเข้ามาบีบคั้นเข้ามาเบียดเปียนก็มองเห็นโทษของชราแต่ในขณะเดียวกันก็มองว่า น, นี่ก็คือธรรมดาอย่างหนึ่งของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเม่เกิดขึ้นแล้วไม่ไปเดือดร้อนเพราะชรา แต่กลับมองว่าชีวิตมันก็ใกล้ความตายเข้าไปในขณะที่อวัยวะมือเท้าสติปัญญาความเพียรพยายามยังมีอยู่ว่าจะทําอะไรได้ก็่รีบกระทากระทาเสียถึงตัวนี้ก็เป็นไปยอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับสัง่งแก่พราหมณ์ชาราท่านหนึ่งอวัยวะมือเท้าของท่านก็ไม่แข็งแรงมากพอที่จะทําอะไรได้ พระเจ้าก็สอนให้รวบรวมสเสบียงคือกุศลใอ้ที่เปร่งทำความดีใชยในขณะที่ไอ้ว่ามือเท้าต่างๆยังมีจุนั้นก็คือสอนให้ได้ประโยชน์จากธรรมชาติที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตื่นได้แม้บางครั้งบางคราวความแก่งอมเพ ร, ะราะจะาเอาขนาดว่าจะปฏิบัติกิจอย่างอื่น ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำไม่ได้เพราะวิญวาไม่อานวยให้ต้องก็นแนะนำให้ทำใจให้เริ่อมใสใจนั้นสามารถทำให้เริ่อมใสได้แม้จะยกมือไปได้ก็ทำใจใเริ่อมใสไว้ทำใจเกิดศรัทธาไว้น้อมนึกไว้ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลพอใจจะได้ผ่องแผ้าใจจะได้มีความสงบจะอยู่หรือจะไปก็ตาม จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นคำสอนในลักษณะนี้ไม่ว่าในแนวที่จะให้ประพฤติปฏิบัติความดีหรือแนวที่จะให้ละเว้นสิ่งชั่วร้ายต่างๆมีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายตตนเราถึงคำสอนในลักษณะที่ ให้บุคคลตระหนักถึงการเวลาเป็นทรงแสดงว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเองขณะย่อมเป็นไปพลันขณะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็ววินาทีก็คือวินาทีนาทีก็คือนาทีชั่วโมงก็คือชั่วโมงเกี่ยวเป็นก้อแก่อย่างนั้นเพราะเราไปแก้ ไปยืดวินาทีให้ยาวไปนาทีให้ยาวออกไปหรือชัอ่วโมงขยาวออกไปนั่นก็ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทําสิ่งเหล่านั้นถือว่าก็เป็นธรรมดาประการหนึ่งของการเวลาแก่ก็เป็นอย่างนั้นเองแต่พยายามฉกฉวยโอกาสของการเวลามาสร้างสาระประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นคนนี้ก็อย่างที่ทรงแส ด, แดงไว้เป็นอันมากในศาสตวักแห่งธรรมบท คือจะไปใส่ใจว่าจะอยู่นานเท่าไหร่จะตายเมื่ออายุทเท่าไหร่แต่สนใจว่าเราจะทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไรในขณะนั้นๆเท่านั้นเองเพราะอนาคตก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนอะไรที่จริงอนาคตก็แปลว่าไม่มาไม่มาแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เคยมาเลยเพรอแกมาที่ไหนแกก็กลับเป็นปัจจุบันทุกที เรื่องอดีตก็เป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วดีชั่วก็ดีชั่วไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็มาเน้นที่ปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ น, น, นี่ก็คือหลักการในการปฏิบัติที่จะให้เห็นไปจากชัดในขณะนั้นๆการเวลาที่มาถึงข้าวจึงเป็นการเวลาของบุคคลนั้นเองที่จะใช้หรือไม่ใช้ ถ้าไม่ใช้ก็ไปถ้าใช้ก็ไปแต่ถ้าไม่ใช้เวลาประโยชน์จากเวลาก็ไม่ได้ถ้าใช้ประโยชน์จากเวลาก็ได้แล้วใครจะใช้เป็นในไหนเป็นในแนวเพิ่มกิเลสหรือแนวแนวลดกิเลสก็ขึ้นอยู่กับกจิตสานึกของบุคคลคนนั้นแนวเพิ่มกิเลสอาจจะได้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่ก็สูญเสียคุณความดีของตน เพรตามปกติแล้วเมื่อมีการเพิ่มกิเลสกิเลสตัวอื่นก็จะเพิ่มติดตามในทถ้ามีการลดกิเลสกิเลสส่วนอื่นก็จะถูกลดตามไปแต่ก็หมายความว่าธรรมะ ก, ก็เพิ่มขึ้นและการมองการเวลาในลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องของกรรมฐานโดยช่วงยาวด้วยช่วงสั้นกันตา่างเห็นว่าการเวลานั้นก็คือเปลี่ยนแปลงก็คือชาราความคล่ำคล่านั่นเอง การไปเร็วเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดับไปเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในช่วงที่เร็วมากการก็อาศัยความเร็วเหล่านี้ทําอะไรให้เร็วขึ้นเห็นตัดสินใจทําความดีก็รีบเร่งทำความดีแต่ัดสินใจจะให้ทานรักษาศีลทําความสงบก็รีบทําเพื่อเหมอกจอบกิจการเวลาและําสอนลนักษณะนี้ก็มีอยู่ทุกชั้นของการปฏิบัติ ทาส่วนที่เพิ่มรูปธรรมในส่วนที่ลดส่วนที่เป็นรูปธรรมมาเพิ่มส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นความดีในส่วนที่เป็นเพิ่มรูปธรรมนั้นเจ้นสอนให้มีความหมั่นขยันทํางานในเหมาะเจาะตามการเวลาส่วนที่ลดรูปธรรมเจ้าทรงสอนว่าเมื่อกุศลและเจตนาปรารถนาจะบริจาคทรัพย์ัำเกิดขึ้นก็รีบทำในทันทีแล้วก็ลดส่วนรูปธรรมแต่ก็เพิ่มส่วนที่เป็นคุณธรรม แต่แต่อย่างนั้นก็เป็นประโยชน์ในชั้นนั้นๆก็นข้อสำคัญว่าให้ใช้การเวลาเป็นเมื่อกล่าวโดยสรุปทรงเชื่เห็นบ้าบุคคลเราแม้มีอายุอยู่เพียงวันเดียวแต่ถ้าอยู่ด้วยความไม่มัวมอ ว, มวประมาทก็สู้ก็ดีกว่าคนซึ่งมีอายุตั้งร้อยปีแต่อยู่ด้วยความมัวมอวประมาท ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าวันเดียวนั้นเป็นวันเดียวที่ประกอบด้วยสารแกนสารเป็นสาระของชีวิตที่ติดตัวท้าในปัจจุบันใลภายภาคหน้านี้ก็เกิดมาจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขาร น, นั่นเองจึงทรงแสดงผลในลักษณะเป็นรูปของนิโรธแต่เกิดขึ้นจากมรรคเกิดความไม่ประมาทที่บุคคลตรานั้น ป, ปฏิบัติ ด้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมะจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้คือจะไปเริ่มในจุดของสมถะและเปลี่ยนเป็นวิปัสนาก็ได้เริ่มเป็นวิปัสนาและเปลี่ยนเป็นสมถะเป็นก็ได้แต่การปฏิบัติเหล่านั้นก็คือการปฏิบัติอยู่ในกรอบของอริยสัจอาจจะเริ่มที่ทุกข์แต่ก็มีผลกระทบต่อสมุทยัยเห็นมบุคณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนของสัตว์ในสังขารทั้งหลาย จะเป็นการมองจากอะไรก็ตามแต่ใจนั้นเห็นตามคล้อยตามถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านั้นโดเพียงพยายามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในของเราในความเป็นเราในความเป็นตัวตนของเราลงไปโดยอาจจะยกแต่ละข้อขึอข้นมาพิจารณาก็ได้ตามใจตัวเองว่าที่เราคิดว่าของเรานั้นอะไรคือของเรามองย้อนไปจากอดีต ความเป็นเด็กของเราก็หายไปแล้วความเป็นหนุ่มสาวของเราก็หายไปหรือกําลังจะหายไปความเป็นผู้ใหญ่ของเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปความแก่ชราของเราก็ข้าวมาเยือนด้านในที่สุดมันก็ถึงแตกดับแม้ความชราก็ไม่เหลืออยู่มามองดูที่ทรัพย์สมบัติมองดูที่ญาติพี่น้องมองดูที่เพื่อนฝูงก็จะเห็นว่าของเรานั้นได้หายไปไป แสดงว่าไม่ได้เป็นของเราจริงๆเพราะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปในความเป็นตัวเราก็มีลักษณะเช่นนั้นต่อผ่านความเป็นมาเป็นนั้นมากแล้วก็เปลี่ยนความเป็นมาเรื่อยเป็นจากเล็กเรามาเป็นใหญ่เป็นจากใหญ่แล้วก็เป็นเล็กนี่ลักษณะเหมือนสะพานที่จากต่ำแล้วขึ้นสูงสูงแล้วก็ลงต่แล้วในที่สุดก็กลับเข้าไปสู่ป่าช้า ก็ไปสูโส่โรงศพเราเกิดขึ้นมานอนในเบาะเล็กๆพอตายก็ไปนอนอยู่ในโรงเล็กๆในขณะนั้นก็คอยคว้าสแสบหากันมากกว่ากับกองความช่องใหญ่โตบางทีก็มีตั้งหลายหลังหลายแห่งแต่ก็จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราการพินิพิจารณาอย่างนี้ก็คือมองให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังในสัตว์และสังขารทั้งหลาย สามารถที่จะถ่ายถอนความกหนักความยึดติดไอสัตว์ในสังขารทั้งหลายลงไปหรอจะมองในจุดแคบๆราจจะมองในตัวของเวทนาซึ่งถือว่าเป็นช่วงสั้นๆ ม, มีความรู้สึกว่าเราเป็นสุขความสุขนั้นเป็นของเราเความสุขมีในเราอาจจะเป็นสุขกายสุขใจก็ตามแต่ก็จริงแล้วปรากฏว่าในตัวความสุขนั้นเองก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไป ในคงที่แสดงความสุขแกก็จะลาไปเธอเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปแต่เราไม่เรียกว่าชะลาท่านั้นเองเราเรียกว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอาการเปรแปรปรวนเปลี่ยนแ ป, แปลงก็คืออาการของชาราคือการดํารงอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก็จะมองเห็นว่าเวทนาซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตแกก็เป็นไม่เป็นของเท่ยงแท้แน่นอนอะไรแในการมองในลักษณะนี้ ก็คล้ายๆกับบุคคลที่สร้างกระต๊อบคือกระต๊อบแต่ละอย่างนั้นอุปกรณ์ไม่มีความอะไรไม่มีความแข็งแรงอยู่ในตัวของมันเองเมื่อสร้างกระต๊อบเสร็จแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่กี่วันมันก็พังเป็นการเชีย่ยเห็นว่าความรู้ใจลักนั้นก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่คนก็รู้เวลารับประทานอาหารก็เป็นสางขารเช่นเดยวนเชิญชวนจักชวนว่ารีบรับประทานไปเดียเ๋ยวจะเย็น รีบรับป ร, ปรผ่านประเดีย๋ยวจะเจ็ด น, นั่นคือใจรักอาหารนั้นเมื่อก่อนมันก็เจ็ดเย็นแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็เจ็ดเย็นแล้วก็เย็นจนกินไม่ได้เพราะเมื่อก่อนมันก็กินไม่ได้นี่ก็คือความจริงที่มีอยู่ในสัตว์ในสังขารในที่ต่างๆแล้วคนเราก็พูดกันถึงเรื่องใจรักษตัวนี้เป็นลักษณะของวิปัสสนาปัญญาที่ปรากฏในชีวิตของคน แต่ประการสําคัญทั้งๆ ท, ท, ท, ที่รู้ความเปลี่ยนแปลงในความยึดถือในศาตว์และสังขารทางหลายไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นวิปัสสนาเท่านั้นเองเพราะในชั้นของการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ตั้งแต่พระธรรมเทศนากรั้งแรกคื อ, อนตฏรักกันสุด ว่าเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ตามความเป็นจริงอย่างไรคือเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ว่าอะไรก็ตามสัตว์สัสังขารทั้งหลายสิ่งของก็ไม่เป็นของเราที่แท้จริงแล้วเราก็ไม่เป็นอย่างแท้จริงไม่มีตัวตนของเราอย่างแท้จริงจ นั่นก็คือเรื่องของการสมมติเอาเรื่องการบัญญัติเอาแต่งตั้งเอาเป็นบทละครที่ถูกกาหนดให้แสดงในขณะนั้นๆเท่านั้นเองมันจะทําให้การเป็นของบุคคลด้วยการสมมติมันก็เป็นได้กล่าวเขาว่าเป็นก็เป็นได้แล้วเป็นดีแล้วเป็นเป็นเลิกเป็นก็เลิกเป็นกันเลยซึ่งอาจจะสรุปรวมเหมือนการเล่นละคร แจริงลักษณะของการเล่นละครหรือแสดงกระทาอะไรไปตามบทบาทที่ถูกกําหนดนั้นก็เป็นแบบของชีวิตที่ทำกันอยู่นะคนเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างแท้จริงมันขึ้นอยู่กับจุดที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางครั้งไปเกี่ยวข้องกับลูกก็เป็นพ่อแม่ไปเกี่ยวข้องกับพี่ก็กลับเป็นน้องไปเกี่ยวข้องกับน้องก็กลับเป็นพี่ ไปเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาก็กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็กลายเป็นผู้บังคับบัญชาไปนั่งขับรถก็กลายเป็นคนขับรถจึงต้องคารวบตามกฎจราจรลงจากรถเดินถนนก็กลายเป็นคนเดินถนนจึงต้องข้ามตามทางม้าลายเมื่อก่อนขับตามทางม้าลายไม่ได้พอลงจากรถต้องข้ามไปทางม้าลายเป็นต้นนี่แสดงว่าบทบาทเหล่านั้นก็เป็นเรื่องสมมุติกันทั้งหมดข้อสําคัญจึงอยู่ที่ ในขณะนั้นได้รับการสมมติบัญญัติให้เป็นอะไรก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นแต่ความเป็นที่แท้จริงเป็นของเราจริงๆนั้นไม่มีหรือความเป็นตัวตนจริงๆมันก็ไม่มีหรือแม้ตัวตนที่ถาวรเที่ยงแท้แน่นอนก็ไม่มีเมื่อบุคคลมองสัตว์มองสังขารโดยการเรียนจากอะไรก็ตาม แตตัวอย่างที่ยกมาแล้วผลก็คือใจจะทายถอนความรู้สึกในลักษณะดังกล่าวจากที่ทรงแสดงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นคือความจริงชั้นแท้จริงแต่ความจริงชั้นสมมติชั้นบัญญัติชั้นปรุงแต่งวพชาตินั้นแล้วก็มีเป็นสองช่วง ช่วงแรกก็คือว่าในขณะที่เป็นของเราอยู่ก็พยายามรักษาดูแลเอาใจใส่แม่สูญหายหรือเสื่อมสลายไปในเวลารวดเร็วอย่างเช่นสอนผู้ครองเรือนเอาไว้ว่าของเก่าก็เอามาซ่อมแซมรักษาเพื่อให้มีอายุการใช้ได้นานขึ้นของที่หายไปก็พยายามสแสวงหาแล้วแสวงหาไม่ได้ก็แลกันไป นี่ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันนั้นาบาปใตที่ยังอยู่ในสังสารวัฏมันก็มีสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงในสังสารวัฏอยู่ระกันหนึ่งนั่นก็คือบาปุุญจิทรงแสดงว่าสัตว์ผู้จะต้องตายทาบุญและบาปทั้งหลายไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะเป็นของของบุคคลนั้นโดยแท้ บุญระบาดนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปใชนั้นอย่าลืมว่าสรงใช้คำว่าสัตว์ที่จะต้องตายแต่พระอาหารนั้นท่านไม่ต้องตายเพราะท่านไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเพราะท่านเข้าถึงความไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงแล้วธรรมะจึงมีอยู่ในที่ต่างๆบุคคลสามารถใช้ความสงบ ใช้ปัญญาปินิพพิจนาเพื่อลดความคุ้งร้างความรุนแรงในด้านจิตใจของตนไปเสริมสร้างสติปัญญาของตนในเพิ่มพูดมากิ่งขึ้นได้ตามสมควรแก่การแก่โอกาสแก่ขณะนั้นๆั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป